ทุติยะอรหันตสูตรว่าด้วยพระอรหันตสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุก์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า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 สีหาสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยพญาราชสีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเวลาเย็นพญาราชสีออกจากที่อาศัยบิดกายชำระลืองดูรอบๆทั้งสี่ทิศบันเลยสีหานาสามครั้งแล้วหลีกไปหาเหยื่อโดยมากพวกสัตว์เดรัจฉานทุกหมู่เหล่า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 ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้เมื่อนั้นแม้เทพทั้งหลายที่มีอายุยืนมีวั น, นะงดงามมีความสุขมากสถิตยอยู่ในวิมานสูงเป็นเวลานานได้สดับธรรมเทศนาของตาาคตแล้วโดยมากต่างถึงความกลัวหวาดวันและสะดุ้งว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าพวกเราเป็นผู้มีเที่ยงแต่ได้สําคัญตนว่าเที่ยง เป็นผู้ไม่ยั่งยืนแต่ได้สำคัญตนว่ายั่งยืนเป็นผู้ไม่คงที่แต่ได้สำคัญตนว่าคงที่ท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าถึงพวกเราก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่เกีย่ยวเนื่องอยู่ในสักกายะภิกษุทั้งหลายตถาคตก็อย่างนั้นเหมือนกันมีฤทธิ์มากอย่างนี้มีศัก์มากอย่างนี้ มีอนุภาพมากอย่างนี้กว่าโลกพร้อมทั้งเทวโลกพระผู้มีพระภาคผู้สุค ส, สดาได้ตรัสเวยากรณภาสิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเมื่อใดพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาหาบุคคลเปรียบเทีย ม, ไมิได้ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วทรงประกาศธรรมจักเ ค, คสากายะความดับแห่งสักกายะและอริยมรรคมีองค์แด ที่ให้ถึงความดับทุกข์แก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกเมื่อนั้นแม้พวกเทพที่มีอายุยืนมีวันนะมียศฟังคำของตถาคตผู้เป็นอรหันต์หลุดพ้นแล้วผู้คงที่ต่างก็หวาดหวั่นถึงความสะดุ้งดุดเนื้อกลัวราชสีด้วยคิดว่าท่านผู้เจริญทราบว่าพวกเราเป็นผู้ไม่เที่ยงยังไม่ก้าล่วงสักกายะ สีหสูตรที่หจบเจ็ดขัดชนียสูตรว่าด้วยผู้ถูกเคี้ยวกินเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งเมื่อระลึกก็ระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากสมณะหรือพรามเหล่านั้นทั้งหมดระลึกถึงอุปาทานขันทั้งหประการหรืออุปาทานขันประการใดประการหนึ่งอุปาทานขันห้5ประการเป็นอย่างไรคือเมื่อระลึกก็ระลึกถึงรูปอย่างนี้ว่าในอดีตการเรามีรูปอย่างนี้เมื่อระลึกก็ระลึกถึงเวทนาอย่างนี้ว่า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 เพราะปรุงแต่งสังคตะธรรมจึงเรียกว่าสังขารปรุงแต่งสังคตะธรรมอะไรปรุงแต่งสังคตะธรรมคือรูปโดยความเป็นรูปเวทนาโดยความเป็นเวทนาสัญญาโดยความเป็นสัญญาสังขารโดยความเป็นสังขารวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณเพราะปรุงแต่งสังคตะธรรมจึงเรียกว่าสังขารเพราะอะไรจึงเรียกว่าวิญญาณ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 ไม่มีความอาลัยในรูปที่เป็นอดีตไม่ชื่นชมรูปที่เป็นอนาคตปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับรูปที่เป็นปัจจุบันบัดนี้เราถูกเวทนาเคี้ยวกินอยู่แม้ในอดีตการเราก็ถูกเวทนาเคี้ยกินแล้วเห <week> มือนกับที่ถูกเวทนาที่เป็นปัจจุบันเคี้ยกินอยู่ในเวลานี้ก็เราเองพึงชื่นชมเวทนาที่เป็นอนาคต แม้ใ น, นอนาคตการเราก็พึงถูกเวทนาเคี้ยวกินเหมือนกับที่ถูกเวทนาที่เป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในเวลานี้เธอพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วไม่มีความอาลัยในเวทนาที่เป็นอดีตไม่ชื่นชมเวทนาที่เป็นอนาคตปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเวทนาที่เป็นปัจจุบันบัดนี้เราถูกสัญญาเคี้ยวกินอยู่ละถึง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 เธอพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วไม่มีความอาลัยในสังขารที่เป็นอดีตไม่ชื่นชมสังขารที่เป็นอนาคตปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายคำนัดเพื่อดับสังขารที่เป็นปัจจุบันบัดนี้เราถูกวิญญาณเคี้ยวกินอยู่แม้ในอดีตการเราก็ถูกวิญญาณเคี้ยวกินแล้วเหมือนกับที่ถูกวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในเวลานี้ ก็เราเองพึงชื่นชมวิญญาณที่เป็นอนาคตแม้ในอนาคตการเราก็พึงถูกวิญญาณเคี้ยวกินเหมือนกับที่ถูกวิญญาณที่เป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในเวลานี้เธอพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วไม่มีความอาลัยในวิญญาณที่เป็นอดีตไม่ชื่นชมวิญญาณที่เป็นอนาคตปฏิบัติเพื่อความเบื่อนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับวิญญาณที่เป็นปัจจุบันภิกษุทั้งหลาย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 ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกนี้เราเรียกว่าทำให้พินาศไม่ก่อละทิ้งไม่ถือมั่นเรียรายไม่รวบรวมไว้ทำให้มอดไม่ก่อให้ลุกโผล่ขึ้น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 คือเรี่ยายรูปไม่รวบรวมรูปไว้เวทนาสัญญาสังขารเรี่ยายวิญญาณไม่รวบรวมวิญญาณไว้ทำอะไรให้มอดไม่ก่ออะไรให้ลุกโผลงขึ้นคือทำรูปให้มอดไม <c ười> ่กอวิญญาณให้ลุกโผลงขึ้นเวทนาสัญญาสังขารทำวิญญาณให้มอดไม่ก่อวิญญาณให้ลุกโผลงขึ้นภิกษุทั้งหลาย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 คือไม่เรียรายรูปไม่รวบรวมรูปไว้แต่เป็นผู้เรียรายได้แล้วดำรงอยู่เวทนาสัญญาสังขารไม่เรียรายวิญญาณไม่รวบรวมวิญญาณไว้แต่เป็นผู้เรียรายได้แล้วดำรงอยู่ไม่ทำอะไรให้มอดไม่ก่ออะไรให้ลุกโผล่ขึ้นแต่เป็นผู้ทําให้มอดได้แล้วดำรงอยู่คือไม่ทํารูปให้มอดไม่ก่อรูปให้ลุกโผล่ขึ้น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 บินโทรยะสูตรว่าด้วยการเที่ยวบินธบาตเลี้ยงชีพสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิคโครธารามเขตกรุงกระบิลภั์แคว้นสักกะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์เพราะเหตุบางอย่างแล้วเวลาเช้าทรงครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาตยังกรุงกบิลพัต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 พืเมื่อสู่ธรรมวินัยนี้เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่เห็นเราก็จะพึงเป็นอื่นเปลี่ยนแปลงไปเหมือนลูกโคน้อ ย, อยเมื่อไม่เห็นแม่ก็จะพึงเป็นอื่นเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นและเหมือนพืชที่ยังอ่อนๆขาดน้ำพึงเหี่ยวเฉาไปฉะนนั้นทางที่ดีเราพึงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้เหมือนกับที่เคยอนุเคราะห์มาแล้วในครั้งก่อนๆเถิด ขณะนั้นเท้าสหัมบดีพรมได้ทราบความรำพึงของพระผู้มีพระภาคด้วยใจของตนแล้วจึงหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเหมือนบุรุษมีกาลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้นแล้วเท้าเธอห่มผ้าชวีงบ่าข้างหนึ่งประนมมือมาทางพระผู้มีพระภาคกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค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 เท้าสหัมบดีพรมทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาแล้วจึงถวายอภิวาสกระทําประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นนั่นเองต่อมาพระผู้มีพระภาคสเสด็จออกจากที่หลีเครนในเวลาเย็นได้สเสด็จเข้าไปยังนิคโครทารามประทับนั่งบนพุทธาที่ปูลาดไว้แล้วทรงบันดาลด้วยอิทาภิสังขาร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 ภู บ, บุตรเหล่านั้นเข้ามาบวช ด, ด้วยเหตุผลว่าพวกเราต่างถูกชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความครื่มครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุบายาตความขับแขนใจทับถมครอบงำจมปลักอยู่ในทุกข์สาลวนอยู่กับทุกข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 กามวิตกความตรึกในกามสองพยาบาทวิตกความตรึกในพยาบาทสามวิหิงสาวิตกความตรึกในการเบียดเบียนอกุศลวิตกสามประการนี้ดับไม่เหลือที่ไหนคือเมื่อบุคคลมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐานสประการหรือเจริญอนิมิตตะสมาธิอกุศลวิตกสามประการย่อมดับโดยไม่เหลือ อนิมิตตสมาธิควรแท้ที่บุคคลจะเจริญอนิมิตตสมาธิที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงฆ์มากภิกษุทั้งหลายทิฏฐิสองประการนี้คือหนึ่งภวะทิฏฐิความเห็นในภพ 2. วิภาวะทิฏฐิความเห็นในวิภพอริยสาวกผู้ได้สดับพิจารณาเห็นในทิฏฐิสองประการนั้นเช่นนี้ว่า เรายึดถือสิ่งใดอยู่พึงเป็นผู้ไม่มีโทษสิ่งนั้นมีอยู่ในโลกบ้างไหมเธอรู้ชัด อ, อย่างนี้ว่าเรายึดถือสิ่งใดอยู่พึงเป็นผู้ไม่มีโทษสิ่งนั้นไม่มีในโลกเลย <c oughs> ก็เราเมื่อยึดถือพึงยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั่นเองเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีแก่เราเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมี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 อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปปินโท ร, ระยะสูตรที่8จบ 9. าปาลิเลยสูตร ว่าด้วยป่าปาลิเลยยกะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโคสัมพีครั้นในเวลาเช้าทรงครองอันตราวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงโคสัมพีเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเสวยพระกริยาหารเสร็จแล้วทรงเจ็บงามเสนาสะนะด้วยพระองค์เองถือบาทและจีวร ไม่ได้ทรงรับสั่งผู้อุปถัก์ไม่ได้ตรัสอำลาภิสุสง์สเดจจาริกไปพระองค์เดียวไม่มีผู้ติดตามลำดับนั้นพิกสุรูปหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคสเสดจจากไปไม่นานได้เข้าไปหาท่านพระานนทึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระานนท์ดังนี้ว่าท่านานนท์พระผู้มีพระภาคทรงเก็บงำเสนาสนะด้วยพระองค์เองถือบาทและจีวร ไม่ได้ทรงรับสั่งพวกอุปถาคไม่ได้ตรัสอำลาภิกสุสงเสด็จจ่าิกไปพระองค์เดียวไม่มีผู้ติดตามท่านพระอานนลได้ตอบว่าท่านผู้มีอายุสมัยใดพระผู้มีพระภาคทรงเก็บงำมเสนาสนะด้วยพระองค์เองถือบาทและจีวรไม่ได้ทรงรับสั่งพวกอุปถาคไม่ได้ตรัสอำลาภิกสุสงเสด็จจ่ากไปพระองค์เดียวไม่มีผู้ติดตาม สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีพระประสงค์จะประทับอยู่เพียงลำพังจึงไม่ควรที่ใครๆจะพึงติดตามครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจ้าริกไปโดยลำดับถึงป่าป า, ปาลิเลยกะทราบว่าณที่นั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคนไม้รังอันงามต่อมาภิกษุจำนวนมากเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่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 ท่านพระอานน์พร้อมด้วยภิกษุเหล่านั้นพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณโนะคนไม้รังอันงามในป่าปาลิเลยยกะถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเ้าใจให้อาถานกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาสมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งได้เกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรอาสะวะทั้งหลายจึงสิ้นไปโดยลำดับพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำนึงของภิกษุนั้นด้วยพระทยัยจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราได้แสดงธรรมโดยการวิจัยการเลือกเฟ้นแสดงสติปฐานสี่ประการโดยการวิจัย แสดงสัมมประธานสี่ประการโดยการวิจัยแสดงอิทธิบาทสประการโดยการวิจัยแสดงอินทรี่ห้าประการโดยการวิจัยแสดงพละหประการโดยการวิจัยแสดงโพชอชงเจ็ประการโดยการวิจัยแสดงอริยมัสมีองค์8โดยการวิจัยภิกษุททั้งหลายเราได้แสดงธรรมโดยการวิจัยเช่นนี้ธรรมอันเราแสดงแล้วโดยการวิจัยเช่นนี้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 สังขาร น, นั้นมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดคือสังขาร น, นั้นเกิดจากตันหาที่เกิดขึ้นแก่ปุตุชนผู้ไม่ได้สดับผู้ถูกความเสวยอารมณ์ที่เคยจากอาวิชชาสัมผัสถูกต้องแล้วเพราะเหตุนั้นแม้สังขาร น, นั้นก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแม้ตันหานั้นก็ไม่เที่ยง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 ปุถุชนไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอ ja ัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูปแต่พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีเวทนาพิจารณาเห็นเวทนาในอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาในเวทนาพิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตา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 อุตุชนไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นเวทนาไม่พิจารณาเห็นสัญญาไม่พิจารณาเห็นสังขารไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาแต่มีทิฏฐิความเห็นอย่างนี้ว่าอัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกันเรานั้นละโลกนี้ไปแล้วจากเป็นผู้ที่ยังแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรป้อสัตตตทิฏฐิ ความเห็นว่าเที่ยงนั้นจัดเป็นสังขารสังขารนั้นมีอะไรเป็นเหตุและถึงเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้อาสะวะทั้งหลายจึงสิ้นไปโดยลำดับ